เจริญพรท่านศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒ น, นชัยองค์มนตรีคุณกริ์สารพิตประธานกรรมการหออการค้าไทยและสภาหม อ, อการค้าไทยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งขอโนทนาแสดงความยิน ด, ดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ จัญญาบัตรโดยได้กำหนดหัวข้อในเรื่องการมาพบปากกันเรื่องไทยเท่ทำดีวิธีย่งยืนไทยเท่ในความหมายที่ทั้งภาพลักษณ์ที่ดีและสาระถักแก่นสารที่ดีคือทั้งคุณภาพ ของสินค้าและบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการพัฒนารวมทั้งการนำเสนอให้เป็นที่ถูกใจพอใจระบบบริหารบริการที่มีจัญยาบันโดยเฉพาะถ้าจะทำให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่ชั่วครู่ชั่วอยาง ต้องมีคำว่าจัญยาบันเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการต่อต้านการโกงการคอร์รัปชันโ่วเพราะมันามาอยู่ในจัญยาบันนั้นคำว่าจัรยาบันก็คือจริยธรรมวิชาชีพจริยธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความดีงามเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนเองและสังคม ถ้าเป็นจริยธรรมส่วนบุคคลในทางมีที่มาจากหลายแหล่งถ้ามาจากศาสนาอย่างน้อยเราก็มีสี่ห้าหรือการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีเป็นแหล่งของจริยธรรมทั้งสิน้นถ้าคนทุกคนมีจริยธรรมคือความดีที่ควรปฏิบัติ เช่นชาพุทธมีศีลห้าเหมือนกันเราเรียกว่ามีจริยธรรมส่วนบุคลแต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในองค์กรวิชาชีพจะมีหลักแห่งความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขของกลุ่มวิชาชีพนั้นซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาชีพอื่นนั่นก็คือเป็นเฉพาะของไทยของมัน เราเรียกว่าจริยธรรมวิชาชีพอย่างท่านทั้งหลายอยู่ในภาคธุรกิจก็จะมีจริยธรรมวิชาชีพของนักธุรกิจนักบริการหรือทํางานในด้านนี้เฉพาะซึ่งคนที่อยู่ในวิชาชีพครูวิชาชีพแพทย์พยาบาลบางข้ออาจจะไม่ต้องมีเหมือนท่านอย่างเช่นในเรื่องของการโฆษณา ท่านทั้งหลายสามารถโฆษณาสินค้าและบริการได้โดยไม่ผิดจรรยบรรมแต่ถ้าอยู่ในวงการแพทย์เราเขาก็จะห้ามว่าแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการโฆษณายาหรืออะไรบางบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพจะมีเฉพาะของใครของมั น, น, นในแต่ละกลุ่มมีเพื่ออะไร อย่างน้อยก็เพื่อวัตถุประสงค์สองประการประการที่หนึ่งก็คือเพื่อความเชื่อถือประการที่สองก็คือเพื่อความยั่งยืนถ้าเรามีจัรยาบันในการดำเนินกิจการของเราเราก็จะได้รับความเชื่อถือภาพลักษณ์ออกมาดีใครก็อยากทำธุรกิจด้วยเรียกว่าเทสนีน่ก็คือดูแล้ว เขาท่าดีและเมื่อมีจริยธรรมวิชาชีพมีจรยาบรรณเนี่ยความเชื่อถือมันเกิดขึ้นในการทําธุรกิจก็เกิดขึ้นและเมื่อมีจรรยาบรรณการทําธุรกิจก็ยั่งยืนถาวรตลอดไปเพราะความเชื่อถือนั้นประกันได้พิสูจน์ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการ เช่นในเรื่องของการผลิตสินค้าในเรื่องของการให้บริการไม่มีการประกันคุณภาพมีการปลอมปลมีการร่วมมือกับผู้ตรวนระบบราชการที่กำกับดูแลมันก็เกิดกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันติดสินบนอะไรขึ้นมาผลก็คือความไม่น่าเชื่อถืออาจจะมาเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงทางคนฮ่องกงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ชาวจีนแผน่นดินใหญ่แหละชอบเข้ามาที่ฮ่องกงมาทําอะไรทนะาไมก็ถามบอกว่ามาช้อปปิ้งบางทีก็เอาเด็กๆนี่แหละเด็กนักเรียนเนี่ยแหละที่เข้ามาเรียนในฮ่องกงขากลับก็เอาสินค้ า, อ า, คาของฮ่องกงเนี่ยใส่เป้นะักเรียนไปเด็กแบกกันหลังแอนเลยแล้วบางทีเป้หล่ขึ้นมาก็เห็นสินค้าฮ่องกงเนี่ยกระจายกันต่อหน้าคนเยอะแยะหมดใช้แม้กระทั่งเด็กในการลำเรียงสินค้าจาก ฮ่องกงเข้าไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งจีนประกาศว่าชาวจีนบางกลุ่มเนี่ยนะอย่าได้เข้าไปฮ่องกงเกินสัปดาห์ละครั้งโดยการกําหนดที่วีซ่าโดยเฉพาะบางเมืองที่ขอกาหนดไว้เลยที่อยู่ใกล้กับฮ่องกงเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไปกันวันแล้ไม่รู้กี่ครั้งสัปดาห์และไม่รู้กี่ครั้งไปทําอะไรไปซื้อสินค้าฮ่องกงเอาไปขายในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และสินค้าที่เขาทําและสินค้าที่ซื้อเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ยี่ห้อเดียวกับที่วางขายอยู่ในประเทศจีนแต่เขาไม่เชื่อถือว่าสินค้าแบบเดียวกันในประเทศจีนเนี่ยมันไม่ปลอมปนเช่นนมผงของเด็กและตอนนี้แม้กระทั่งไข่นะมันก็มีปัญหาทําให้สินค้าในในประเทศจีนเนี่ยวางขายราคาถูกกว่าแต่ไม่เป็นที่เชื่อถือเขาไม่ซื้อกันต้องไปซื้อจากฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามทั้งแบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมก็ตามแม้กระทั่งสินค้าอุปโภคบริโภคกลายเป็นว่าเขาเชื่อถือสินค้าที่วางขายอยู่ในตลาดที่นั้นก็เรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ว่าประเทศใดก็ตามเนี่ยไปทำให้เกิดเสียภาพลักษณ์อย่างที่ว่าและสินค้าก็ไม่ได้ดีไม่ได้มีคุณภาพ อย่างที่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากไทยหรือที่ใดก็ตามเพราะมันมีระบบที่ไม่ดีกํากับเข้ามาเกี่ยวข้องผลก็จะทําให้เกิดความไม่ยั่งยืนเพราะว่าเวลาที่เราไปทําธุรกิจกับใครก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ซื่อสัตย์มันก็จะทำให้ไม่เกิดความเชื่อถือและคนก็ไม่ทําธุรกิจกับเราโบราณเขาจึงบอกว่าซื่อกินไม่หมดคด กินไม่เหลือซื้อเนี่ยเมื่อมีความเชื่อถือกันมันก็ทําธุรกิจไปเรื่อยๆต่อเนื่องยั่งยืนจึงกินไม่หมดแต่ถ้าคดในข้องอในกระดูกมี อ, อะไรก็ตามทั้งคอร์รัปชันทั้งติดสินบนอะไรก็ตามเพื่อให้ผ่านไปทีนึงเนี่ยผลก็คือไม่มีจะกินคือไม่เหลือฉะนั้นความยั่งยืนก็คือทําตามที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่เหลือนั่นเองโดยการที่เรามี จัรยาบรรมีจริยธรรมเราจะเท่ย่างยั่นยืนมันขาดธรรมะไม่ได้คือทําความดีนั่นเองและธรรมะนี่แหละแทรกอยู่ในจรรยาบรรมแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของท่านทีนี้มาถึงขั้นว่าเราก็มีจรญญาบรรมที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนมากจากระบุเอาไว้เป็นรายลักษณ์อักษรเราเรื่อย ก, กว่าจรรยาบรรมบันแปลว่าหนังสือแต่จริงๆก็คือจริยธรรมวิชาชีพ จรยาหรือจริยาที่เราเป็นข้อตกลงจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ตามเป็นจรญาบัตรและทีนี้พอเรามีจรยาบัตรเนี่ยมันก็จะเกิดคําถามว่าทําไมสมาชิกในองค์กรบริษัทต่างๆเครือข่ายธุรกิจจะต้องทําตามจรยาบัตรก็เพราะเหตุแรงจูงใจอะไรที่ทางการที่เรามาให้รางวัล น, นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ดูว่า เวลาคนจะทำความดีเนี่ยมันมีแรงจูงใจอยู่สามประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือผลประโยชน์ส่วนของตนเองหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องเราเรียกในภาษาพระว่าอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยคือเอาประโยชน์ของเราเป็นตัวตั้งถ้าเราได้ประโยชน์ในการที่เรามีจรรยาบันมีภาพลักษณ์ที่ดีมีอะไรที่ดีเนี่ยเราก็จะทำ แต่ถ้าช่วงใดเราเสียประโยชน์เราไม่ได้ตัวแรงจูงใจที่เป็นอันตราที่ปไจัยเอาตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยมันก็ไม่สามารถกํากับระบบจัรยามันได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องบางทีมาด้วยผลประโยชน์ของตนหรือของบริษัทขององค์กรเพราะฉะนั้นแรงจูงใจอันนี้อาจจะไม่ยั่งยืนเพราะถ้าไม่ได้ก็ไม่ทาหรือเห็นว่าไม่แฟร์ เราไม่เข้ามาได้ในเกมนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นแรงจูงใจขั้นแรกขั้นที่สองเขาเรียกว่าโลกาทิปไตยทำดีเพราะต้องการให้คนอื่นยอมรับหรือหลีกเลียเล่ยง ก, ก, ก, ก, ก, การแซ็นชั่นการลงโทษจากคนอื่นทีนี้ในกรณีที่สองเนี่ยเพื่อได้รับการยอมรับเราก็จะได้มีเครือข่ายในการทำธุรกิจ เราก็หวังนะตรงนี้เข้ามาเราก็มีจัร ญ, ญาบันมีจริยธรรมแต่ก็ไม่ยั่งยืนอีเหมือนกันเพราะว่าถ้ า, าระบบของอสังคมในการให้รางวัลในการลงโทษเนี่ยมันละหลวมจับไม่ได้ไล่ไม่ทนันพวกเราปราบทุจริตคอร์รัปชันด้วยกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยและถ้ามันมีรูรั่วมีอะไรต่างๆมากมายคนก็ อ, อาศัยรูรั่วนั่นแหละเพราะว่า ไม่ไม่มีความทั่วถึงไม่เป็นธรรมตามหลักที่ว่าปักทันเหปักขหารหังนิคขันเหนิคขาหารหั ง, กหกาหาหงยกย่องคนที่ควรยกย่องกำราบคนที่ควรกำราบองค์กรที่กํากับดูแลไม่ว่าของรัฐหเอกนชนก็นตามก็ออยังต้องทําหน้าที่อย่ น, นี้เพื่อให้เกิดโลกาทิเบตายโลกาทิเไตายหมายถึงว่าเรามีจรรยาบรรณเรามีศีลธรรมอะไรต่างเนี่ยเพราะต้องการการยกย่อ ง, องต้องการรางวัล และในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการลงโทษการแซ็นชั่นการบอยคอรดอะไรก็ตามในเรื่องของสินค้าและบริการที่เรามีซึ่งถามว่าในระในแบบที่โลกาที่ปตยมันดีไหมอัตราธี่ปตยมันดีไหมเอาเอาตัวเองเป็นใหญ่หรือเอาสังคมมาบีบ ม, มาให้รางวัลมายกย่องเนี่ยเป็นโลกาที่ปตยเนี่ยก็ดีทั้งสิ้นนะจะทําด้วยเหตุใดก็ตามก็ทําให้เราทําดีแต่ปัญหาอยู่ที่คําว่ายั่งยืนเพราะว่า ถ้าเราทําดีเพราะผลประโยชน์เราวันไหนเราไม่ได้ผลประโยชน์เราก็ไม่ทำนี่มันก็ไม่ยั่งยืนอันที่สองทำเพราะคนอื่นมาชมวันไหนเขาดา่าเราก็หมดกําลังใจทําเพราะกลัวการลงโทษถ้าระบบการลงโทษไม่ทันเหตุการณ์จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเรากเา็เปลี่ยนนโยบายได้ทั้งสองอย่างไม่ยั่งยืนทั้งอัตราธิ่บันไก็ไม่ยั่งยืนโลกาที่บันไดไม่ยั่งยืนแต่ ก็จำเป็นเพราะว่าเราก็ต้องมีแรงจูงใจก่อนให้คนอยากทำเพราะผลประโยชน์ของตนหรือขององค์กรต้องมีระบบในการกํากับควบคุมทั้งในการให้รางวัลและการลงโทษอย่างที่ท่านหลายทําในการให้รางวัลเนี่ยและต้องเป็นธรรมและต้องแฟร์ต้องบริสุทธิ์มีขั้นตอนมีมาตรฐานมีใครณธรรมมีสแตนดาร์ดอะไรก็ตามมันก็จะทําให้เกิดความเชื่อถือมันก็เป็นแรงจูงใจที่สําคัญแต่ถ้าจะให้ยั่นเยินเนี่ย ท่านบอกว่าต้องเป็นธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยหมายถึงเอาหลักการเป็นตัวตั้งเอาหลักการเป็นสำถัญเหมือนทําไมเราจะต้องมีจรญญาบัตรเราจะเราทำตามจัญญาบัตรเพราะเหตุผลส่วนตอนเพราะเหตุผลของสังคมก็ได้แต่มันจะมีอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ดําเนินตามหลักจรร ญ, ญาบัตรเนี่ยในการให้ให้ขายสินค้าและให้บริการเนี่ยก็เพราะคํานึงถึงความถูกต้อง เราเร า, เราคำหนึ่งถึงความถูกต้องก็คือหนึ่งระบบทั้งระบบจะอยู่ได้ระบบของการทําธุรกิจจะอยู่ได้กับเพราะความซื่อสัตย์ความซื่อตรงถ้าเราคิดโกงกันเอาเปรียบกันเนี่ยระบบทั้งระบบมันจะล้มละลายเพราะฉะนั้นกฎสากลตรงนี้มันสากลเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นว่า เ, เพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรม และถ้าเราคิดว่าโกงได้โกงเอามือนไท ย, ยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยเราคิดว่าคนในระบบธุรกิจการค้าเนี่ยทำเมือเหมือนกันหมดเนี่ยใครโกงมีเมื่ อ, อไหร่มีโอกาสที่จะโกงที่จ ะ, ะปลอมผลสินค้าก็ะทำเนี่ยในที่สุดเนี่ยถ้าทุกคนทําแบบนี้กันหมดเนี่ยขายสินค้าไม่ได้บริการก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะทุกคนก็จะมองว่าโอทั้งประเทศเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะเออมันไข่มันก็ปลอมนะงผงก็ปลอมในที่สุดใครก็จะซื้อเขาต้องไปซื้อประเทศอื่น ประเทศไทยถ้าทําให้เกิดระบบอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันล้มละลายเลยนะอย่าว่าแต่ไม่ยั่ยืนเลยนะลย้มละลายเลยเพราะว่าในที่สุดไทยจะมาซื้อข้าวไทยนะถ้าปลอมกันอยู่ตลอดและใครจะมาซื้อมีสมัยหนึ่งเนี่ยสบู่ดำ เ, เป็นที่มาใช้ในทางชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยเอาไปขายต่างประเทศแล้วมีการต้องการเพิ่มน้ําหนักเนี่ยแล้วก็เอากรดเอากรวดเอาทรายใส่เข้าไปข้างในในที่สุดประเทศนั้นเขาก็ไปซื้อ ฉะนั้นคุณภาพของสินค้าที่เขาตั้งมาตรฐานว่าไม่มีสารพิษน ะ, ะผลผลิตทางการเกษตรต้องปลอดจากสารพิษต่างๆเหล่านี้เมื่อเราประกาศออกไปเนี่ยคนก็มาซื้อกันใหญ่แต่พอในที่สุดในต่างประเทศเขาบอกมันมีสารพิษ ป, อปลอมๆเนี่ยระบบการส่งออกมันก็ไปไม่ได้และในการค้าขายของเราก็เป็นไปไม่ได้ระหว่างคนไทยด้วยกัน ฉะนั้นความเชื่อถือจะเกิดขึ้นเมื่อทุกฝ่ายทุกบริษัททุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือเป็นเรื่องที่จะต้องซื่อสัตย์สุจริตและระบบการค้าการทำธุรกิจมันจึงเป็นไปได้เราขายตรงกันมากขึ้นในประเทศไทยโดยผ่านบัตรเครดิตอะไรก็ตามคนคนที่สูงอายุเขาจะตัง้งคำถามแน่ใจได้ไงเราจ่ายแล้วเนจะมาส่งให้เรานะเพราะฉะนั้น ต่อไปจะขายขายตรงกันมากขึ้นเนี่ยเราเชื่อถือกันแค่ไหนถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มต้นในวงการธุรกิจนี้มาทาเสียเองอได้เงินมาแล้วก็ไม่ส่งสินค้าตามที่โฆษณาหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพประท้วงมาแล้วก็ไม่ได้คืนอะไรต่างเนี่ยในที่สุดระบบนี้ก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราจะให้ระบบนี้เขาเรียกว่าต่อไปไม่ต้องถือเงินเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยความเชื่อถือมันสาคัญ ต่อไปเราจะไม่ต้องถือทนบัตรไม่ต้องถือแบงค์ไม่ต้องถืออะไรเลยมันอยู่กันด้วยเครดิตเครดิตคือความเชื่อถือและความเชื่อถือมาจากไหนมาจากคุณธรรมจริยธรรมมาจากจัตยานรนนี่เองฉะนั้นในการที่เราจะสร้างระบบเพื่อความอยู่รอดเนี่ยก็คือหนึ่งเราจะต้องให้ถือว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสากลหรือไม่หมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าคนอื่นทําเรารับได้ไหม ถ้าโกงขึ้นมา ป, ปลอมปลดขึ้นมาคนอื่นบริษัทอื่นทําแบบเดียวกับเรามันจะเรายอมรับไหนเรายอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมรับไม่ได้ในเรื่องใดก็ตามที่จะทํากับคนอื่นเราก็อย่าไปทําเราก็ไม่ต้องการให้คนอื่นบริษัทอื่นเนี่ยทําเช่นนั้นกับเราเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่คือระบบศีลธรรมนั่นเองเมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดง่ายๆเราไม่อยากให้เขาโกงเราเราก็อย่าไปโกงเขาและเมื่อทุกคน ใช้ยึดหลักแห่งความยุติธรรมเชื่อเชื่ อ, อยุติธรรมอย่างนี้ซื่อสัตย์อย่างนี้ระบบธุรกิจการค้ามันก็เป็นไปได้ระบบเครดิตอะไรก็เป็นไปได้ลวมไปถึงระบบรอระดืในสังคมถ้าเราไม่อยากให้กระดือ น, นอกใจเราเราก็อย่าไปนอกใจเขาการความซื่อสัตย์ในครอบครัวมันก็อยู่ได้ไปไหนทาไปอะไรแต่ก็ไม่มีความราักนวแวงความรักความอุ่นในครอบครัวมันอยู่ได้เพราะความไว้ใจความซื่อสัตย์ชั้นใดระบบธุรกิจก็ฉันนั้น นี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าความยั่งยืนเป็นเป็ น, ปนหลักที่หนึ่งเป็นธรรมมาทปไตยธรรมมาที่ปไตยอีกประการที่สองก็คืออะไรก็คือเรื่องของการปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ใช่ทางผ่านแต่เป็นจุดหมายปลายทางถ้าเราถือเอาคนอื่นเป็นทางผ่านเนี่ยเราขายสินค้าอย่างขอไปทีบริการอย่างขอไปทีเหมือนกับพ่อค้าเร่ในบางที่พี่บางแห่งเนี่ย ไปขายหมู่บ้านนี้เสร็จสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่บริการใจเราไปแล้วเขาซื้อเรไปแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาอยู่ในในวัดเนี่ยจะได้ยินเรื่องอสินค้าที่ขายในงานวัดเล่ร่อนจัดในงานวัดแต่ไม่ว่าจะอะไรที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ค่อยคำนึงถึงคุณภาพเช่นอาหารเพราะขายอาหารบางทีเก่ามาจากไหนก็ไม่รู้ออกมาขายในวัดนี้ฝังลงในมิจงานนี้จนคนที่มาทานนี่ เขาบอกทำไมเขาทำอย่างนี้เลย อ, อกจาเพราะขเขานึกว่าเขาขายแล้วเขาก็ไปเขาไม่ได้อยู่ประจําที่เพราะฉะนั้นความความไอ้รั้นประกันคุณภาพมันก็ไม่เกิดปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนทางผ่านคือให้ได้สตังค์แต่ไม่ได้คํานึงว่าสินค้าที่เราขายบริการที่เราให้เนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้บริโภคไหมเขาอุตส่าห์ซื้อไปเนี่ยเขาเออขนอกจากเขาจะได้ความพึงพอใจแล้วเนี่ย บางอย่างเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งกับตัวเขาตัวเราตัวอะไรกระามในที่เกี่ยวข้องเนี่ยจึงกลายเป็นว่าปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนว่าเขาเอาเงินมาให้เราเรารวยเราได้สตังค์แต่คนอื่นเป็นอย่างไรไม่รู้เป็นวิถีทางไปสู่เป้าหมายของเราคือความรับรวยความบัางข้างเราไม่เคารพสิทธิมนุษย์ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพไปว่าจะเป็น ตาสีตาสายายมียายมาที่ไหนก็นตามถึงเขาจะบ้านนอกก็ตามแต่เราให้เกียรติเขาเราพูดอะไรเราไม่โกหกเราไม่หลอกลวงเราซื่อสัตว์เนี่ยท่านมันก็เท่ากับว่าเราเคารพสิทธิในความเป็นมนุษย์ของเขาและเราก็อยากให้ใครเนี่ยมาเคารพสิทธิในความเป็นมนุษย์ของเราเราเป็นในทางศาสนาเขาเรียกว่าสเปซส ต, ตาเราแผแผ่เมตตากันเนี่ย ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นเถิดเถิดอย่าได้เบียดเบีย น, ยนซึ่งกันและกันเลยอย่าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอะไรทำนองนี้อย่ามีเวรมีภัยเนี่ยเราไม่ได้เผยเราไม่ได้แผ่เมตตาเพียงแต่ตสักว่าสวดว่าพูดแต่เราปฏิบัติคนอื่นเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เขามีสิทธิ์ในการได้รับความสุขเอ่อไ ด, ได้รับความดีความงามจากเรา เช่นเดียวกับเราก็มีสิทธิ์ได้รับความเคารพในเกยียรติในศักดิ์ศรีถ้าเราปฏิบัติต่อกันอย่างมีมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีอย่างนี้เนี่ยเราไม่โกงกันหรอกเราไม่หลอกลวงกันหรอกเราไม่หวังที่จะเอาเงินจากไอ้สิ่งที่เราทําอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะเอาคนอื่นเป็นทางผ่านไม่ใช่ว่ามาพักโรงแรมเรามามาเที่ยวรีสอร์ทเราแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่มาไม่เป็นไรเราเราเอาไว้ก่อนเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับ เครื่อ ง, งมือเพื่อให้เกิดความร่ำรวยเราไม่ได้รบแต่ไม่ได้เคารพในสิทธิของความเป็นคนของเขาไม่ว่าเขามาจากชาติไหนจะ ก, กําลังเป็นประเทศที่พัฒนามีรายได้สูงมีรายได้ปานกลางระดับสูงเหมือนเราหรือมีรายได้ปานกลางระดับสูงเระระปานกลางระดับต่ากว่าเราหรือประเทศที่มีรายได้น้อยเขาก็เป็นมนุษย์เมื่อเขาเป็นมนุษย์เราปฏิบตัติต่อเขา เราก็ไม่ดูถูกเขาไม่ใช่ว่าตอนนี้ Thailand 4.0 เนนะีเราเป็นประเทศที่มีรายได้าปานกลางระดับสูงอีก10 20 30ปีขา้างหน้าเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเราเังราจะมีโครงการ Thailand 4.0 ขึ้นมาเพื่อยกระดับประเทศแต่เราก็ต้องคำนึงถึงมนุษย์ทั่วโลกที่เขามาบริการต่อเรากฎหมายการปฏิบัติระบบราชการไม่ว่าอะไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา เขาจะมาจากประเทศที่ยากจนรายได้ต่ำหรือรายได้ไปานกลางระดับต่ำกว่าเราก็ต่ำแต่มาประเทศไทยแล้วเราให้เกียรตินักท่องเที่ยวไม่ว่ามาจากไหนมารับบริการจากเราเราให้เกียรติเช่นเดียวกันการบริการทางแพทย์โรงพยาบาลอะไรต่างๆรักษาคนเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยรักษาแค่นี้แต่มีเงินมากาก็รักษาดีอยู่แต่เมื่อเราทําหน้าที่ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุด การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนั้นนั่นแหละก็คือการมีธรรมะการมีจริยธรรมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทรมันเจริสุจริตตังควรปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่ให้สุจริตและ เ, เมื่อเรายึดหลักนี้ว่าปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตคือเรามีจริยบัตรเรามีจริยธรรมเราเป็นผู้ผลิตสินค้าเราก็ผลิต ตามสเปคตามที่เราประกาศไว้เราให้บริการเราก็ทำอย่างนีเราค้าขายเราเราเดลิเวอร์เราส่งสินค้าก็เอาตามที่เราโฆษณาตามที่เราประกาศเมื่อเป็นอย่างนั้นก็คือมีหน้าที่ในการผลิตมีหน้าที่ในการจำส่งสินค้ามีหน้าที่ในการโฆษณาอะไรก็ตามทำให้มันดีที่สุดเพราะมันเป็นธรรมะในวิชาชีพคาว่าดีที่สุดคือหนึ่งอย่าให้บกพร่องต่อหน้าที่ บกพร่องต่อธรรมะที่เรามีเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรทำตรงนั้นให้ดีที่สุดอย่าให้มันบกพร่องต่อหน้าที่ขงจื๊อบอกว่าให้ขงจื๊อทำอะไรจะทำให้ดีที่สุดให้ขงจื๊อเลี้ยงมา้าม้าจะต้องอ้วนให้ขงจื๊อเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มขังไม่ว่าธุรกิจของเราตอนนี้อยู่ในระดับไหน ยังเป็น SME อยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดยังเป็นสตาร์ทอัพอยู่ทำให้มันดีที่สุดเพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่เขาเชื่อถือเราและเขาก็จะได้มาเป็นพี่เรีอยงมาดูแลมาส่งเสริมเข้าไปในเน็ตเวิร์ในเครือข่ายของเขาแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะไม่ทำหน้าที่แค่เขาแบ่งเป็นเป็นซับเลยนะซับคอนเซ็มาให้เราแต่เราก็มาหนีมาเบี้ยวนะมันก็ล้มเป็นโดมิโนเป็นลูกโซ่ในสุดระบบที่คิดจะพึ่งกันเนี่ย โดยบ ร, บริษัทยักษ์ใหญ่เป็นประชารัฐเนี่ยออกมาช่วยมันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีจัญญาบันเพราะเ ME ก็เอเอ็กก็บิว่วนี่ก็บิว่วในที่สุดไอสิ่งที่เราฝันหวานอย่าว่าแต่ทําในประเทศเราเลยเราจะเป็นเกาะ ก, กับบรบรษัทขั้นขามชาติในต่างประเทศมันก็อยู่ไม่ได้ไอความอยู่ได้อะไรต่างเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อถือความเท่มันไม่ได้เพียงแต่โฆษณาดีแต่เราทําจริงตามที่เราบอกอาตมานี่จัดวิสาขาบูชาโลกมาเนี่ย ทั่วโลกพระทั่วโลกพระสังฆราชทั่วโลกมาประชุมที่ประเทศไทย10 14ปีละมาประชุมกันและให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกเนี่ยอาตมาจะบอกอยู่อย่างเนี่กับทีมทั้งหมดว่าเราปฏิบัติอย่างผู้นําศาสนาอย่างมีเกียรตินะไม่ว่าจะเป็นพระเล็กพระน้อยมาจากไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่ามียอศักดิ์ใหญ่เราต้อนรับดีนะถ้ามียอศักดิ์ไม่น้อยถึงเป็นพระเราก็ไม่รูแล้วไม่ต้อนรับไม่ได้ทุกท่านเป็นเราปฏิบัติต่อเขาไม่ใช่ฐานผ่าน ไม่ใช่ว่ามาให้เราประดับบารมีเราแต่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพมีความนับถือตรงนี้แหละอนามานถามว่าแล้วทําไมท่านมาเมืองไทยกันอย่างนี้หนึ่งนอกจากไฟเราพูดจัดเนี่ยปฏิบัติต่อท่านอย่างเรียกว่ามีความเคารพในสิทธิของท่านตามสถานะของท่านแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคนไทยเนี่ยเคารพศาสนา ไม่ใช่วะเราลงไปบางประเทศเนี่ยพระไปเดินเนี่ยเาเดินเฉียดเขาเดินชนนะแต่พระเรานี่ไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อมาแล้วคนไทยมีความเคารพแม้ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวมาเลยแต่เหล่านี้เนะ่ยเขามีความสุขความสุขไม่ใช่เพราะว่าได้เกียรติแต่นี่คือในสิ่งที่เราปฏิบัติในฐานะที่ไม่ใช่ทางผ่านแต่เป็นเป้าหมายปลายทางเราต้องการให้ความพึงพอใจแก่แต่ละคนแก่ทุกคนเพราะฉะนั้นมีหน้าที่อะไรตั้งแต่ตัวเล็กๆ เ, เลยเนี่ยนะ ทำให้มาดีที่สุดแต่าม า, เ, าเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขามาจัดประชุมในประเทศไทยามาใช้โรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬานี่แหละในการพิมพ์ศูนย์จิบัตปรากฏว่าพวกนี้ถึงงานแล้วเราก็ทำอตอนทางานเมื่อ14ปีที่แล้วก็ทำใจเย็นหน่อยนะเสร็จก็ได้ไม่เด้ก็ได้บางทีไปแจกตอนที่จะเข้างานนะ่ศูนจิบัตแต่คนญี่ปุ่นไม่เยออย่างนั้น สูจิบตนนี่มันมีรายละเอียดอย่งางไรพิมพ์จริงหรือเปล่ามีภาษาญี่ปุ่นไหมไม่ใช่มีแต่ภาษาไทยภาษาังกฤษเขามานั่งเฝ้าอยู่ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาเลยเพื่อที่จะให้ดูว่ามันมีภาษาญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่าเขาเขาจะเช็คเนแต่ละอันส่งเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆของเขามาเนี่ยเพื่อมาดูตรงนี้ทางฝ่ายผู้จัดการโรงพิมพ์ก็บอกเขาว่าคุณับไปได้นี่คุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยอาร์ตเวิร์กเราก็มีภาษาญี่ปุ่นมีอะไรต่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณไว้ใจได้เราทําตามนั้นเขาบอกว่ายัางไงเจ ผมไม่กลับคทำจนกว่าจับปริ้นออกมาพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มสําเร็จผมจึงกลับได้ทําไมละ่ะเพราะหัวหน้าผมสั่งว่าถ้าคุณไม่เห็นผลผลิตสุดท้ายเยนะี่ยให้ทำคาราคิรีเอ อ, อยู่ที่ลงพิมพ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นผมจะนั่งอยู่ที่นี่แหละคนไทยก็เลยอดหลับอ ด, ดนอนลงพิมพ์เดี่ยพิมพ์กันจนเสร็จอะตามนั้นเนี่ยนี่คือนึกถึงว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆและเขาภาคภูมิใจ ให้ทำอะไรทำให้ดีที่สุดมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบเต็มที่เมื่อฟันเฟืองแต่และฟันเฟืองเนี่ยเขาทำอย่างนี้เลยนะมันก็ออกมาดีเลยเพราะฉะนั้นอาตมาไปไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีแม้ว่าแพ็กเกจแพ็กเกจิ่งเนี่ยนะเขาเขามีสุนทรียะในการทำา่ทำอย่างดีแต่ถ้าข้างในไม่ดีมันก็ดีแต่ทั้งแต่ทั้งหมดมันจะต้องดีทั้งข้างในทุกระบบทุกระดับแม้กระทั่งจะมา <c oughs> เจะมาทานปราดิบเนี่ยนะเราจะให้พัฒนารเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยทําปลาดิบต้ อ, ตอนรับคนญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมาขอไปดูในครัวก่อนก่อนที่จะเอาพัฒนาารนี้ไปดูว่าคุณหั่นปลาอย่างไง อ, อได้มาตรฐานเขาไหมเหล่านี้คนที่มาเนี่ยเราไม่ใช่ไปติดสินบนเขาได้นะม อ, อ, อ, องผ่านๆไปเพื่อที่จะใช้โรงแรมนี้พัฒนาการนี้ที่รู้จักกันไหมเขาทําหน้าที่โดยไม่บกพร่องนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สอง อย่าละทิ้งหน้าที่มีหน้าที่อะไรเนี่ยออ น, อนอกจากจะไม่บกพร่องแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปนอนหลับนะบกพร่องต่อหน้าที่แล้วในที่สุดมันก็ทำให้เขาเรียกว่าไ อ, อ, อ, อ, อ, อ้ไปละทิ้งหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่แล้วไม่ทำไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ต่อให้คุณขยันไปทำเรื่องอื่นดีดีแต่หน้าที่ของคุณไม่ทำเนี่ยก็ไม่ถือว่า เท่นะไม่ถือว่าทำได้ดีเนยะไปอาจจะดีในโปรเซสขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ว่าไปช่วยคนอื่นแต่ในงานของคุณคุณลกทิ้ง ค, คุณบอกพร้อมคุณลกทิ้งหน้าที่มันก็ไม่ได้เรื่องและสุดท้ายทุจริตต่อหน้าที่เรื่องของสินบนนี่แหละที่ทำให้อ่เอาคำว่าทุจริตประพฤติม่ชอบก็คือใช้อำนาจหน้าที่ที่เขาให้มีหน้าที่ตรวจสอบก็ดี มีหน้าที่ในการให้บริการก็ตามเนี่ยแล้วใช้อํานาจนั้นเนี่ยเบียดบังเอาผลประโยชน์เข้าพบเข้าห่อตัวเองแล้วไม่ทําหน้าที่นั้นหรือเอื้อประโยชน์ก่อกแก่คนอื่นลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ยนะเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรรมการเนี่ยแล้วเอาผลประโยชน์มาเราให้ผลประโยชน์แก่เขาและเขามาเอื้อประโยชน์แก่เราโดยที่ไม่ได้มาตรฐานในสินค้าบริการของเราถ้าทุกคนทําอย่างนี้ สินค้าบริการมันก็บกคร้องระบบทั้งระบบมันล้มละลายนะหมายความว่าคนนี้ก็มีช่องว่างก็ไปทําตรงนั้นตรงนี้ตรวจไฟตรวจสอบอะไรต่างในสุดสินค้าที่มีมลพิษอะไรต่างมันผ่านไปได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาทั้งระบบมันจะเสียหมดเข า, เาไขไขในใส่ไขไว้ในตะกร้ า, าเดียวกันเนี่ยตกแตกมันแตกหมดและถ้าเอาปลาเน่าไปใส่ไว้ในตะข้องตัวเดียวจะนั้นแหละ ทั้งต่าข้องมันเสียทั้งต่า้องเนี่ยมันเสียหมดเลยปลาทั้งหมดเลยนะดังนั้นการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันทําให้เสียระบบด้วยและถ้าในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านไม่เห็นด้วยในะท่านบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะมันทำให้ไม่เกิดความเชื่อถือและไม่เกิดความยุติธรรมไม่เกิดความเชื่อถือไม่เกิดความยุติธรรมอย่างไรในสมัยก่อนเนี่ยท่านภาษาริบุตรได้ข่าวว่ามีข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งเป็นญาติของท่านเนี ชื่อธนัญชาติทุจริตคอร์รัปชันก็เลยเรียกมาถามแล้วาทางธนัญชานิผ่านคอรับสารภาพผมทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมีภรรยาที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยก็ยังมีรายได้พอจะเลี้ยงครอบครัวตอนหลังภรรยาตายก็ไปดได้ภรรยาสาวโอ้โหมันต้องการอะไรอายุแย่หมดเลยทั้ง เงินทองอะไรมากมายก็ใช้วิธีเดิมไม่ได้จากเงินเดือนเดิมไม่ได้ก็เลยต้องทุจริตคอร์รัปชันพระสารีบุตรก็เตือนว่า อ, อ, อย่าไปทำนะมันผิดนะทุจริตคอร์รัปชันของธนาชาติพรางเนี่ยมีสองอย่างเรียกเป็นภาษาโบราณว่าอย่างที่หนึ่งในฐานะข้าราชาการเนี่ยใช้วิธีอาศัยพระราชาปล้นประชาชนวิธีที่สองอาศัยรประชาชนปล้นพระราชา อาศัยพระราชาปล้นประชาชนก็คือในนามของรัฐเนี่ยไปขูดรีดภาษีไปทำอะไรไปยัดเยียดข้อหาอะไรกัแล้วแต่อาศัยอำนาจของรัฐไปกดขี่ประชาชนเอาผลประโยชน์เข้ามาเท่ากับตัเอเรียกว่าอาศัยพระราชาปล้นประชาชนรีดภาษีบ้างอะไรบ้างแบบที่สองอาศัยประชาชนปล้นพระราชารัฐควรจะได้ภาษี ฝ่ายที่ดูเรื่องภาษีก็ไปสู้เอียกันกับคนที่จะไปเก็บภาษีเนี่ยนะก็เอาเงินแทนที่จะเป็นภาษีเข้าร้านเนี่ยร่วมมือกับประชาชนปล้นรัฐถปล้นพระราชาเอามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตอนอ้างว่าตอนนี้น้ําท่วมที่นันที่นี่เบิกเงินจากคลังหลวงเพื่อไปช่วยประชาชนตาดำดำที่น้ําท่วมปลากระโดนไม่ถึงอาศัยประชาชนปล้นคลังหลวงอีก โดยวิธีนี้เราลึงจงมาบันดาลบัญญัติสับตอนหลังว่าอาศัยพระราชาปล้นพระชาชนอาศัยพระราชาปล้นประชาชนคือช่อรากอาศัยประชาชนปล้นพระราชาคือบังหลวงครบสูตรเลยเราเป็นประชาชนภาคเอกชนก็อย่าไปร่วมมือในพวกที่อาศัยประชาชนอย่างเราเนี่ยไปปล้นพระราชาปล้นคังหลวง มันก็ตัดไปทางหนึ่งแล้วแล้วก็อย่าไปอาศัยให้เขามาอ้างชื่อเราแล้วก็เบิกเงินมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็จะเหมือนกับว่าอาศัยคนเป็นทางผ่านแตนะข้าราชการที่อาศัยคนเป็นทางผ่านคือปฏิบัติต่อเราเนี่ไม่ใช่มนุษย์อ้างเราว่าจะไปช่วยน้ำท่วมไฟไหม้แต่จริงๆแล้วเงินไม่ถึงมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมือ ให้เขาเบียดบางเงินเราก็เหมือนกับว่าไม่ใช่มนุษย์เหมือนอะไรเหมือนเสือโคร่งเหมือนเสือโคร่งในโครงโรกกันนิดเสมัยโบราณเนี่ยที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในสมัยโบราณในประเทศไทยเนี่ยได้เสือโคร่งใหม่มาหนึ่งตัวตั้งหัวประมาณเลี้ยงเสือโคร่งตัวนี้เป็นค่าเงินในสมัยนั้นวันละหนึ่งบาทผู้คุมก็เบิกเงินหนึ่งบาทเนี่ยมาซื้อเนื้อเลี้ยงเสือโคร่งตัวนี้อิ่ม แสดงว่าสมัยก่อนมากเงินหนึ่งบาทเนี่ยค่าเงินสูงมากเสือโครกอิ่มเพราะเงินหนึ่งบาทปรากฏว่าผู้คุมไม่ซื้อเมื่อผู้คุมไม่ซื้อก็ได้เงินมาหนึ่งบาทเบียนบังเป็นประโยชน์ตนเองหนึ่งสลึงเอาไปซื้อเนื้อให้เสือสามสลึงเจ็ดสิบห้าสตงค์เสือได้กินวันละเจ็ดสิบห้าสตงค์เสือไม่อ้วนนี่เสือไม่อ้วนคนที่มาชมสวนสัตว์ก็ ฟ้องไปที่พ อ, อ, อสวนสัตว์ว่าเอ๊งบคงจะไม่พอนะเสือไม่อ้วนสักทีหนึ่งเราตั้งงบเพิ่มสิท่านผู้ร่วมในการสวนสัตว์ท่านก็รอบคอบสุ ข, ขุมท่านแทนที่จะตั้งงบเพิ่มทันทีสั่งท่านส่งผู้ตรวจการไปตรวจไปดูว่าเอ๊งบทําไมมันไม่พอหรือเปล่าผู้ตรวจการคนนี้ไปได้สามวันไปตรวจดูโอ้กลายเป็นว่าไอคนคุมนี่มันยักยอกไปหนึ่งสลึงเบียดบางไป เพราะฉะนั้นแกก็เลยขอค่าปิดปากหนึ่งสลึงคนที่คนที่ไปตรวจนะนะไปเอามาหนึ่งสลึงกลายเป็นว่าเสือได้กินห้าสบสตังค์เสือผอมเสือผอมทีนี้เขาก็ฟ้อนไปที่ผออออีกผ อ, ออก็ส่งผู้ตรวการระดับสูงไปตรวจคนนี้ไปได้สามวันไปรู้ความจริงว่าเงินถูกเบียดบังถูกยักยอกแกก็เลยขอค่าปิดปากอีกหนึ่งสลึงโอนเอาไป็สามส่วนแล้วนะ นี้เสือทำอะไรแย่เลยสิผอมเหลือแต่หนังพุ่งกระดูดจะตายไม่ตายแล้วเขาก็ฟ้องไปที่คนดูก็ฟ้องไปที่ผ อ, อ, อสวนสัตว์ตรวจภาษาอะไรชักช้าไม่ตั้งงบมาสักทีเสือจะตายอยู่แล้วผ อ, อแกก็อยากซุก ข, ขุมรอบคอบอยู่ดีทรงผู้ตรวจการระดับบิ๊กไปเลยทีนี้ไปตรวจ ด, ดูคนนี้ไปได้สามวันเสือตาย เสือตายถ้าก็พบเท่าได้ว่าเอาเอาส่วนสุดท้ายไปเอาเสือเป็นทางผ่านเพื่อให้ได้เงิน4ี่ส่วนโครงโลกกนิตก็เลยเขียนแต่งเรื่องนี้ไว้จารึกอยู่ที่วัดโพธิ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยจารึกถินอ่อดไว้เลยนะเรื่องนี้นะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในสมัยโบ ร, ราณเ็าบอกว่าอย่างนี้เบิกทรัพย์วัลบาทซื้อมันษานายหนึ่งเลียงพยัคาไปอ้วด สองสามสี่นายมากำกับกันแหบังรักสี่สวนทุวนบาดสิ้นเสือตายโอ้คลาสคลาสสิกมากนะแกยังไงละเนี่ยโอ้เพราะว่าคนเนี่ยเอาเสือเป็นทางผ่านนะีไม่ได้ปฏิบัติต่อเสืออย่างมีศักดิ์ศรีว่าโอ้ยเสือตัวนี้ถ้ามันอ้วนมันจะทำให้สวนสัตว์มีคนมาชมมาดูห ร, าหรือเออหรือแม้กระทั่งสิทธิของสัตว์อย่างนี้สมัยนี้เราพูดถึงกันก็ไม่มี ฉะนั้นเวลาที่เราผลิตสินค้าและบริการ ใ, ใดก็ตามถ้าเรามองผู้บริโภคไม่ใช่ทางผ่านอย่างที่เขามองเสือแต่ในฐานะเป็นมนุษย์เราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีธรรมะประจำใจมันก็จะไม่เกิดการผู้จิกรีคอร์รัปชันไม่มีการโกงไม่มีการปลอมปนอะไรทั้งสิน้นและเราจะอยู่กันอย่างสังคมที่มีศักดิ์ศรีมีความเชื่อถือมีความไว้วังใจทาธุรกิจกันก็สบายก็ง่าย และเราสามารถจะไปมองสินค้าของเราจะไปถึงต่างประเทศในเมื่อไร่เพราะว่าซับคอนแทคของเราก็จะส่งตามนั้นหมดเมื่อเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันตามเวลานั้นเราก็สามารถจะส่งไปได้หมดฝ่ายที่ลำเลียงส่งไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะใดๆก็ตามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดทุกฝ่ายทําหน้าที่อย่างดีองค์การะยพดีทั้งหมดก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีธรรมะ ธรรมะดีเนี่ยนะคือปฏิบัติหน้าที่คือธรรมะให้สุดจริตนั่นเองไทยเทพทาดีใครมีหน้าที่ทําอะไรทําให้มันดีที่สุดนั่นก็คือทําหน้าที่โดยไม่บกพรอ่นะ อ, รองนะไม่บกพร่องในหน้าที่ไม่ใช่เขาให้ส่งภายในเจวันครึ่งเดือนยังไปไม่ถึงนี่คือบอกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่หมายความว่าเขาให้ ส่งภัยในวันนั้นวันนี้ไม่ส่งเลยไม่รู้ไปหลับอยู่ที่ไหน เ, เขาเรียกว่าไม่ไม่ละชิงหน้าที่ไม่ทุจริตต่อหน้าที่มีหน้าที่ให้ส่งไม่ขอน้ํามันหล่อลื่นก่อ น, นมีศินบนมีอะไรต่างๆในที่สุดระบบมันก็พังไทยเ ท, ท่ทําดีคือมีธรรมะไทยมีหน้าที่อะไรทําให้ดีที่สุดขผมจื้อจึง กล่าวต่อว่าถ้าท่านทำหน้าที่ดีเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปห่วงว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่หวงแต่ว่าสักวันหนึ่งคือเมื่อเขามาสั่งสินค้ามาบริการมาให้ท่านทำงานท่านทำได้จริงหรือเปล่าท่านดีจริงไหมถ้าเราดีจริงใครก็เชื่อถือใครก็มาสั่งสินค้าบริการจากท่านมาทำธุรกิจต่อท่านกับท่านนั่นคือความยั่งยืน ไทยเท่มีธรรมะดีธรรมดีมีธรรมะดีมันก็เป็นวิถีที่ยั่งยืนดังที่อาตมาได้ทำหน้าที่มาพอสมควรแก่เวลาก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีด้วยการมีธรรมะโดยขออ้างคุณพระศรีรัตนต ร, ยรัย พ, พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ จงมารวมกันเป็นตะบะเดชาปเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้งานของท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่บกพร่องไม่ลัดทิ้งและไม่ทุจริตต่อหน้าที่โดยเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยปราศจากทุกโศกรคภัยอุปัตตวันตรายทั้งปวง ประสงค์จำลงหมายสิ่งใดก็ให้ผลสำเร็จสมโนรถุ่งมากปราถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทิน